มีคนคนอื่นเขาเคยได้ไฟมาจากสิ่งต่งางๆแล้วนั้นแต่เขามาบอกคุณว่าไฟอยู่ที่นี่อยู่ที่ไม่ไฟแห้งนี่ยอยู่ที่นี่จะทำไงครับถึงจะเห็นมันต้องเอาไม้ไผ่สองที่นี่มาสีกันอย่าหยุดเยอก็เกิดไฟขึ้นมาตรงนั้นน่ะไฟอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็เชื่อเออไฟมันอยู่ตรงนี้เราก็มาทำ อเอาไม่ไผสองที้มาสีทั้งสัสปอืยทาไปทำมันเหนื่อยเมื่อมันเหนื่อยคงขีดเหียดมันก็มีเห็นอืมไม้ไผ่เนี่ยกาลังจะพอเรานอนถึงขีดเหียดไฟไมันมีเราทิ้งมันไปอย่างนี้ก็ไปประกาศว่าไฟในที่นี่ไม่มีไฟในที่นี่ไม่มีอันนี้เราก็หลงผิดอย่างนั้น ความเป็นจริงนั่นเนี่ยไฟมีอยู่ที่นั่นเมื่อเราทําความร้อนไม่สมดุลกันไฟก็ไม่เกิดอันนี้เราต้อเข้าข้างตัวเราไม่พูดหาความจริงถา่ายวอุตสศาทําไปเรื่อยๆมีขันติมียีดิยะมีความเพียนเอาไมา้ไฟสีกันไปจนมันความเห็นเป็นไฟไมันก็เป็นไฟได้จริงๆครับอันนี้เราปฏิบัติไม่ถึงมันก็ไม่มีไฟจะได้ ต, ตัดไปกระถึงวไม่มีไฟเลยตรงนี้ อความเพียนเราไม่พอเราไม่ถือเป็นแบบพระไทยเหมือนกันพะฝรั่งก็เหมือนกันอยู่ไปอยู่ไปแล้วก็บางทีก็ฝึกขันดอกไม้มาลวงพ่อลาศิษาแล้วลาศิษฐ์นทำไมหมดความเพียรแล้วพูด ย, ย, นะ ย, พพ ย, ยังไม่มาาสาสอายนะใครพระพุทธเจ้าทำความเพียรยังไม่หมดนักบวชมาพรรษาสองพรรษามาทาความเพียรหมดก็่เดาทำไมถึงเก่งที นี aí, ่คือนี่เราคูดถูกถ้่ความจริงความเพียรมันหมดไม่ได้ะจะทําไปเจอความเพียรมันไม่หมดแต่เราทีเด็ดเนี่ยเดี๋ยวเราวิงหมดความเพียรมือนหมดที่เราไอ้ความเพียรมันมีอยู่นี่อย่างนี้นะครับก็เลยพูดก็เลยก็ไม่ทีเจรณาหยียบันไปหยับความจริงเที่อยๆๆๆไปจนได้ความเพียรหมดนล เอคเ้ความเป็นจริงจะตนองพิจารณดีๆลเลยความเพียนมันไม่หมดมันหมดไม่ได้เช่นมานั่งนั่งทำความสงบอยู่เดี๋ยวนี้เขาจะตีกรองอยู่ตรงนั้นถึงถึงถึงเรานั่องไปเนื่งไปเพราะกระนูดนี่ลงคาญึ้นเกิดความลำคาญเป็นทาไมมันําคาญเราหาความสงบตรงนี้มันนนั่นองไปเขามาตีกรอง โมโหทึนั่ก็ค่คิดขึ้นมาจนมันจะลำพานขึนมาลำพานทําไมมันถึงลำคานเพราะบ่มันคิดผิดมันถึงลำพานคิดผิดยังไงก็คิดว่าเสียงนั้นมันมันมากวนเรานี่เราคิดผิดแล้วถ้าคิดผิดเกิดทุกข์เกิดลำคาญเกิดไม่พอใจเกินมาเป็นกิเลสเกิมากองคือโลก กรหลงเกิดขึ้นมาปัญหาอันนี้แก้ไม่ได้แต่พอเราตรงไปอยากหาความสงบมันไม่สงบแต่เพราะมีสิ่งที่มาขวนครับอันนี้หลายภรษาหลายปีบางคนก็ตายไปยไม่ไดูเรื่องถ้างหากเราทนต่อสู้กับเบียธนานี่อยู่นานๆ น, น, น, น, นีอารมณ์เกิดขึ้นมาก็ต้องทีงนานมันดีดีไเอเ้สียงกลองที่เขาตีขึ้น่ะ ที่เราว่าเราลำคาญอันนี้เราคิดผิดคิดผิดทาไมคิดเพเสียงมันมาขวนเรามันต้องอยู่ที่นี่นานๆครับอยู่ที่เน้นนานเพื่อให้มันเกิดปัญญาให้มันเกิดญาณเนี่ยทำมันไปตรงนั้นเนี่ยมันทุอยู่ตรงนั้นเนี่ยนานๆมันถึงจุดอีมันบันหนึ่งมันจะมีความรู้อานหนึ่งพุนขึ้นมาว่าอืม อยูี่นี่ตรงไหนมายอยู่ที่นู้นตรงไหสมยัสม ย, สมยเพราะอะไรมรากวนเราเราจะทะลุเพ่งหาที่อยู่ของเราเนี่ยอันนี้มันไปอยู่ที่ไหนมันเป็นแค่ไมโครนะเป็นจิตคิดนึกไปนึกมาคิดไปคิดมาพิจารณาได้แต่จะโผลนะ่เนี่ย อ, อันนี้เนาะไม่ใช่เขามากวนเราจะแล้วลองไปควานเขานี่ครับไม่ลับแล้ว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 นะมันจะถอนตัวมันเองจะแล้วมันจะเลือกหรับมันเลิกครับไม่ต้องไปบังคับอะไรมันแอ้วเห็นแค้นมาเราไป<ม>เราเร า, เราไม่ไปกวนเขาที่เราเห็นมาเราเขามากวนเราค ว, ความเห็นผิดของเราคือปัญญายังไม่เติมแต่ว่าเห็นเช่นนี้แสดงว่าเราไปกวนเขาถ้าหากว่เราไปกวนเขาแล้วเราก็ทิ้ขงของทางนอกแล้วก็ดูทางในอย่าให้มันไปกวนมันคนได้เรื่อง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 นี่เราปล่อยด้วยจิตวิจิตของเราปล่อยได้เอามาใช้ามันตามเวลามันที่นิทานเราอยู่เป็นกลุ่มกันหาที่ความสงบตรงนี้พระอยู่นีในความสงบแต่คนจะมาโวยวายึ้นตรงนี้ไม่ได้เราต้องบอกหยุดอย่ามาทํางานตรงนี้อย่ามาพูดแรงตรงนี้อย่ามาร้องลําทาเพนตรงนี้ต้องเอาของโลกมาใช้ี่ถ้าว่าจะปล่อยไปมันจะเล่นในต่างๆนานกันอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วครับอื่อย่างนั้น ถ้าอ่าถึงที่มันจริงๆเนี่ยมันจะทําอะไรเมื่อเราจะต้องวางก็ต้องวางสถานเดือนสถานที่มีคนทําอย่างนี้สถานที่มีควรทาอย่างนั้นวันนี้ควรทาอย่างนี้วันหน้าควรทาอย่างนั้นมั่นเประตัเหตุการณ์เราพิจารณาตรงนั้นคือเมื่อเราตั้งใจว่าจะทําอันนี้อามันจะร้องเพลงมันจะทำอะไรไม่เป็นทุกข์เราปลอานะ่อยนะอืด้ อันนี้เปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าของเราหรือสาวกพระพุทธเจ้าของเราที่ทันทิพยไปแล้วไอ้สิ่งที่มามาบรบกวนอะไรต่งางๆภายนอกท่านก็พยายามให้เราหนีไปให้เราเป็นคนงูทุกคนเนี่ยเป็นเ ป, นเปนสร้างความตลาดที่อืน่นตรงนี้ตรงนี้มันทนเลยไล่หนี้ไปไล่ท่านยังสอนให้เราตักน้อยให้เราสัน้นดะูเนะให้เราอยู่ดีในของที่มีอยู่เนี่ย ตอนนี้ถึงท่านหมดภาระที่จะละที่จะบาเพ็ญแล้วท่านก็ยังห่วงพวกเราอยู่ท่านตรงนี้จากจอยู่ที่นี้ไปอยู่ที่โน้นนีไปในลักษณะทีว่าหนีไปเพื่อต่อสู้ไม่ใช่วันนี้ไปดอความแพ้ีนูหรือไม่สมบูรณ์หนีไปเพื่อฝึกเพื่อความเ็นะอย่างพระองค์ท่านไปอยู่ป่าเหมือนกันไม่ใช่วันนานเบื่อในบ้านอะไรมากมาย ท่านไปหาความชนะในป่าให้มันสงบคุกอยู่ในป่าคุกอย่างที่สงบไม่ใช่หนีไปดุจงโนหนีไปอความฉลาดนีไปดุจปัญญาเช่นพวกเราทาั้งหลายหนีโรกมาออกมาบวดหนีแสงหนีสีนีอะไรออกมามบางคนมัจะไปเกลียดแสงเกลียดสีเกินไปหนีไปเรื่ไปอันนี้ก็ไม่เกิดไปอยู่ นีไปเพื่อความแพ้เขาต้องหนีไปเพื่อความช น, นะเพื่อเอาความรู้ในชีวิตนมันเกิดขึ้นมาให้มันดูเรื่องอันนี้จนเขาว่ามันเป็นโรคกายทูอย่างพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าให้รู้แจ้งซึ่งโลกเมื่อโรคนี้มันไม่แจ้งไม่อะไรได้จนเขาไปฝึกได้องเ ข, ป, งขปเรียนเสมอเสมอความช น, นะเนี่ยอย่างนี้บางคนอยากบอกว่า อ, อ, อ, อ้นมันเป็นอัจฉริรมฐานโยโค กัวเกินไปเข้ายู่ในปาหรืไปฉันมือเดียว ม, นนรรมันเหน็ดมันเหนื่อยอะไรต่งตางๆเนี่ยคนนั้นก็จักตีว่าพูดอะไรมันขัดใจเราคนนึงว่าเป็นอัตตาหมดทั้งนั้นแหละแตเพราะเรามีชอบเพระาะเขาต่างตัวเขาอย่างนี้จะมีอัตตากรรมฐานโยโคมันเป็นอย่างไรกามมาสึกามมาันิการโยโคนี่เขามัมีใจกันเาไม่มีฐานนิจาน มันไปวิภาควิจารณ์เจ้อาอัตากเจิมาถาอยู่ชั้นมือเยียวอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่ออะไรนะมักน้อยชั้นโดดอยูอาาย่ในปานิพนอาตากไปหมดผมเคยพูดว่าอย่างนั้นท่านชันข้าจึง ก, ก็เชี่ยวข้าจา ก, ก็เป็นอาตายิรมิรมาธาโยโกถึงนั้ น, เ, น mm hmm. เขาสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับไม้น่ยมันเป็นประโยชน์เรื่อไยม่ได้ในปามเป็นต้นอยู่างนั้นน่ยมันเป็นต้ออนเป็นปลาอย่างนั้นแหะจะมาสร้างบ้านหลังหนึ่งจะมาทําอะไรหลังหนึ่งนะ ก็ต้องมาตัดมารอนมาเรื่อยมาทํำในในสัดในส่วนด้วยความยุ่งยากลำบากทั้งนั้นนยอย่างนั้นมั น, นาาก็เป็นอัตจะกริมัธายโยโคว่าไม่ต้องทําอะไรกันทั้งนี้นเขาถอนไม้ต้นนี้เขาเรื่อยไม้ต้นนี้เขาใสา่ใส่กอบนี่กระดานนี่หรืจุดหมายเขาเพื่ออะไรเ้าจะเอามาสร้างบ้านนี่มันเป็นที่อยู่นั่นอันนี้คือการกระทามันเป็นเหตุอยู่แล้ว มันเป็นเหตุก็เป็นเรื่องธรรมดาสองรักเห็นว่ามันเป็นเหตุกัเมื่อมันมีเหตุจะมีผลมันจะเกิดเป็นสิ่งนั้น่ะคือจุดฝ่ายที่สร้างบ้านเป็นเราจะได้อยู่เพราะคนก็ต้องได้อยู่ได้ดับได้นอนได้มีอาศัยที่อยู่ที่อาศัยเป็นธรรมดาอยู่อยิ่งที่มีพัญญาวประจักษ์เป็นนั้นจะหากว่าคนเราไม่ยอมปฏิบัติแล้วก็คิดเป็นสนั้นแต่นั้นสมัยนี้คนเรานั่ยนะ มันมีความรู้มากแต่ความดีน้อยเพราะอะไรเพราะว่ามันมันมันไม่เห็นรู้ชั้นที่สองสิมันเห็นรู้ชั้นที่หเท่า น, นั้นนะชั้นที่หนึ่งไม่เห็นรู้ชั้นที่สองที่สามต่อไปมันกระทากับมันไม่รู้ัเนี่ยครับ<ม>ไม่รู้แค่นันะ้อืท่า น, นั้นผมว่าพูดถึงส่วนพุทธศาสนาเนี่นะ่ะ ให้พวกเราทางไห น, นประกันศึกษาปริยัติทางไายเดี๋ยนี้เนะี่ยไม่เป็นเมื่อแค่ดีๆอย่างนีน้แต่ก็ไม่ควรจะเพื่อนฟูในทางทุทธศาสนานีนะ้พูดอะไรคล่องทําอะไรก็คล่อ ง, องแต่ว่าอืมตัวไม่ทําไม่ทําใส่ความจริงของมันนะมันก็ไม่เกิดขึ้นมาอหมือนไม่รู้นั่นเหมือนไม่รู้อืทราบว่าอย่างท่านอย่างแต่ ยังครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นำเด็กปฏิบัติดีครับนำเด็กปฏิบัตินี่ทีนี้ผู้ใหญ่ก็ไม่ทำคนรู้มาก็ไม่ทำก็มันก็ไม่เกิดประโยุน์อะไรทั้งนี้เด็กๆทุ่มนังว่ายิ่งสีเกียจมาง่ายเสีนเราก็ต้องชมแสดงผมเคยพูดในพระเจ้าะสวงสังเครานะ ใหท่านอยู่ในเมืองจะอยู่ไปอยู่ในปา่าก็อยู่ไปให้สันทนะฮะให้มันดูเรื่องสิ่งทางไหยเดี๋ยวนี้ท่านจะรูาา้แค่ศาสนาโดยการปฏิบัตอิอยูม่มีน้อยค น, นมีคนดูหลายๆก็ไม่อยู่ในปา่าก็มีอยู่นีโดนใครมเดียวดๆดวเสื อ, อไอ้โรคมาเดียวอยู่กรุงเทพนี่น เสียอยู่ใงเชียร์มันเยอะตเสียอีป่าใชไหมฮึฮึฮึฮปฮึฮึฮึนึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึเึฮึฮึฮึหือึฮึฮึฮึฮมฮึฮึือเึือฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึ่ึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮ้ฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮเฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึ ถ้าเข้าไปในปากตัวมันจะหิวตัวมันจะเหนื่อยตัวมันจะร้อนตัวสับตัวเสือไ อ, อความร้อนอยู่ในกรงเกล็ดมัม น, นโอ้โห <c oughs> มันทิ่ร้อนใหญ่นฟองไฟมันไมกลับกันเสียถ้าเราปฏิบัติแล้วมันจะได้หมดไปหมดไป ไปสวเดินในภูเลียกว่าไปนู่นมาเมืองไทยแต่ไปอินเดียไปอินเดียแต่ก็ไปลันตาไปลังกาแต่ก็ไปลาอืโลกนี่จะไปรอบโลกโลกนี่มันรอบไม่ได้ในรเท่าโลกมันรอบโลกไม่ได้อื ม, มันก็เป็นอย่างนี้ในตอนจริงนมันก็ ไม่ได้ค้นคว้าอะไรตัวอะไรที่จะอยู่ปาที่จปฏิบัติจะมีปริยัตยิเร่องนี้ก็เะมนมากนะ ม, มากมดนทำเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นไปหลายอย่างนี้ที่บอกมีอยูคือปฏิบัติของเราจิตใจเราเมื่อมันเห็นชั ด, ดจิตใจอันหนึ่งปฏิบัติเบื้องแรกหูไม่ได้ยินตาไม่เห็นอันนี้เป็นความสงก เ, เสร็จความสงบอย่างสมพล้อมท๊อรียก ว, ว่าสมาธิสงบสงบไปเสียใจวุ่นวายอีกทุนของความวุ่นวายสงบสมาธินี่คือทุนของความวุ่นวายมีสงบเพราะตาเราไม่เห็นหูเราไม่ได้ยินสงบแค่นี้ เป็นเหตุในข้าดื่มตัวกันอยู่องค์เดียวก็อยู่ป้าให้หนั่งจะมาที่เข้าชานสมบาบัติไปโน้ต่กไม่รู้ว่าสิ่งเหล่า น, นี้เป็นยังไงกันไม่รู้จักเสื อ, อบางทีเนี่ยมันเฉียบเ ม, มื่อแดงก็หายหมดให้ความสังคมสีตาแเราเห็นลูกหู้เราเลยยินเสียงเราเห็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่วลาเราเห็นโทษในสิ่งทางไหนแล้วนั่น นี่ชื่อมันสงบแท้เห็นอยู่ก็ลืมตาอยาก็เห็นมันเป็นภัยอยู่ตรงนั้นลืมตาขึ้นกับมันเป็นภัยอยู่ตรงนั้นนี่ใจเรามันจะสงบเพราะเคยได้สิ่งที่ชอบใจเราเนี่ยมันมันกับภัยเหมือนกันระวังถ้าสิ่งที่ไม่ชอบใจเกิดไม่เกิดเกิดขึ้นมาไม่ไจะวุ่นวอยู่ต่อไปอยู่แล้วอันนี้ให้ฟันเข้าใจ พื่อพุทธเจ้าจึงเดียวอย่าประมาทถ้าใครประมาทคือคนตาย อ, อืมคือคนตายนีประมาทแล้วก็เหมือนคนตายแล้วอืมเนี่ยมันเป็นเช้อย่างนั้นทุกคนประมาทคือคนไม่รู้จักไม่ค่อมาายมีสติคนไม่มีเขาไม่มีสติก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็มีจักรันสังวรสั้งดวงไม่รู้จักรันสังวรทั้งดวงก็ไม่รู้จักว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูก อถ้าไม่ดูจากอะไรผิดอะไรถูกไม่ดูจากข้อปฏิบัติดก็งงอยู่ถูกอารมณ์มางงวนไปตาแตกละวุ่นเนี่ยกิเป็นเพราะอันนั้นเกิเป็นเพราะอันนี้เป็นเพราะอันนั้นเป็นเพาะอันนี้เพราะเรานี่ไม่มีมีแต่เพียงอย่างอื่นอืมเกิดเกิดวุ่อย่างนี้แหละครับ มันจะตั้งลงในรูปมันมีผู้ปฏิบัติก็หลงในการปฏิบัตินี่ยอืะเป็สนส่วนใหญ่อย่างนั้นอุตชาธรรทําเถอะครับดูให้รู้ถึงคุณพระพุทธเจ้านะท่านทําอย่างไรมาคงทั่วผมคิดว่าทุกวันในบุญเราหลายเนี่ยหลายอะไรนะโอวาทของพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาหาความจริงได้ทุกวั น, นมีความจริงเยอะไม่ได้ค้นข้อหาอะไรยกไปนานมาดูตอนนั้นนะ จัดหนังสือเรื่มนั้นขึ้นมาดูอ่านออกรูเรื่องอันนี้มันผิดไม่ตรงที่นมันไปอันนี้มันถูกต้องพิจารณว่านนสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านออกปฏิบัติครั้งแรกเนี่ยค่ะข้าวาจับปลาในกลางทะเลค่ะค่านกน้อยมันบินในบรรยากาศไม่รู้ใจขคว้าตรงนันมันเป็นถือเป็นสนใจมันคว้ามันถูกครับเพราะไม่ต้องจับ ม, มันไมมีอะไรช่วยมันเรื่องมาช่วยตัวเอง แบบนี้เรามีอะไรช่วยแล้วอืมถ้าลงในประเลมันมีเรืออาศัยแล้วอืคือมันมีรู้พอเลยพอเิยศึกษาแล้วทุกคนพอเลยศึกษาในคนดูคนเจกะมันมีทุกอย่างมันมีทุกสิ่งก็จะรู้การในการนี้แบบของเราถ้ารวมยอดของมันมันก็ไม่รู้อะไรครับแบบนี้ วันนี้ตาชาคารโอจะเกลียดผมก็เอออันนี้จังไม่แน่เท่านี้วันนี้ชาคโรโจะจะรักผมวันนี้ชาคารโอก็ต้องสอนอด็กของอันนี้ไมน่นี่พเทนี้มันก็หมดแล้วครับฆ่ามันไว้ฮะข่ามันไว้ข่ามันไว้เรื่องี้เาใช้กรตุ้น้อยนี่มันจะรักที่มาตัดอย่านานๆนะตัดทุกวันนะถ้านานมันถ้ามานนานในตัดมันก็เป็นป่าใหญ่เหมือนกันเนี่ยมันโผล่มาตัด โคุกสัตโชคุกน้สัตว์ท้อใจเห็นปลวกที่กะดีพองหัวเนี่ยอยู่ตรงนั่นแต่ไม่ตอนเนี่ยตรงนี้เปลวกไม่มีอ่ะไม่มีกติมันขึ้นเราสร้างกติไปปูกเป็นเขึ้นมาขึ้นขึ้นทุกวันทุกวันตอนเช้าพบอมยมาเขียหมดต่นังคนเราสร้างขึ้นมาขึ้นมาถึงนี้อีกต้องไะเขี่ย มันสร้างขึ้นเรารื้อออกอย่าไปเผล่นะเผลอมันขึ้นจินตนกติหมดนะเขาจะทำมันกติบาทถพมาไอความเพียรความปวดมันจะจริงเท่าไหร่โอ้มันเอาเป็นเดือนเดือนงันนะบางทีเรเอาเมันขึ้นไปง้นก็ได้นะเคลียอตอนเช้ามาออกไปตั้งใจตรงนี้แหละเคลียออกนั่นก็ขึ้นมาตรงนี้เคลียออกรวมันก็ําคาญกันนะ แม่ทำอะไรขึ้นบัวใหนี่แต่คนมารื้อมาถอนถึงน่ะมันหนังเหนียวจอิ่งนี้เลยสอตนี่ตัวีนี่พวกเนี่ยผมเคยทดลองนี่ก็เป็นบทภาวนาเราเหมือนกันเช่นนั้นเราทําได้คือเรื่องเกิดขึ้นมาพยายามฆ่ามันผมมันด้วยมีความตามใจมีความตามกําลังมันด้วยทุกวันทุกวันนะในความเกียดข้านก็ดีความทุกก็ดีถ้าเราฆ่ามันข่มมันได้นะมันก็มันก็หมดที่พึ่งเหมือนกัน มันมาเกาะได้ไม่ได้ถ้าปัดมันออกไปเช่ไเนี่ยมาเอาความสูแล้วก็ปัดออกไปใช่ไหมสุวนซึ่งเกิดเป็นนิสัยครับเกิดเป็นนิสัยเกิดเป็นนิสัยดูสร้างขึ้นสร้างขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ครับอืสร้างอย่างนี้มันต่อมันจะพอกเต็มเต็มเต็มเตยมเอาออกตัวคือการถ้าเราปอยมันปล่อยทั้งวันทั้งมาขึ้นทั้งนู้นเลยอธการไปวันอันนี้งานสิเดตเสมอกัน กิเลสตัเมันตัวกันเลยประโยชน์ที่โตขึ้นมาเนี่ยโตมากทันเทวมุน ห, หมดลาเยอะเหล่าทัพเรือลกไปถึงไหนระวังต่เพียงให้สร้างปัญญาขึ้นจิตเรศนึงก็ปัญญาทันมันก็อยู่เท่านั้นเน่ยปัญญาเราก็ยิ่งบันเดียวปกกิเลสอย่และสร้างปัญญาให้เดียเป็นอาวุธต่อสู้เป็นธรรมอาวุธ ในใจของเจ้าของครั้งนั้นเ น, นี่ยครั้ง น, นี้อืแต่พอเรารู้จักว่าอันนี้มันเป็นเดิตอันนี้ไม่เป็นเจดิตพอรู้เทา น, นี้ก็ก็นเห็นแน่ใจปฏิบัติแล้วอันที่คนไม่รู้เลยว่าเออเราชอบใจงั้วเราทาอย่างนั้นมันสบายดีโออันนี้ไปนานเพียวอืมมันที่ไปตายในชีวิตตายชีวิตในี่ยดูเรื่องเราออกมาบวมนี่เราต้องการความสบายเราต้องการความสงบไม่ต้องให้ใครบังคับเรา อยากอยู่ใช่หอยู่ตามสบายต่อยขนาดมินหนักหนาหรือเกินเนี่ยหนักไปวัดนี่ก็ไม่มีใครช่วยได้ปูดไม่ได้คงไม่เชื่อไปเท่านั้นแะยิ่งไปกันใหญ่นี่มันเป็นหลายแบบมันมีกันเปยกของมันปวดลายมันมีสี่เหลี่นะครับเป็นนัยใหญ่เลาทีตีกระตามอลูกมาทุกขาเลยี่เรียนะเป็นนัยใหญ่ไคร ถ้าเราไม่รู้เรื่องมันได้ก็ไม่าามมรู้ภาษามันก็ยากไม่าารู้ภาษามันแค่ทะ้ลาะเห็นเคยเห็นเสือไหมเสืออยู่ในบ้านเสือในบ้านเคยเห็นหมนนเออ ส, ม ส, นสือในบ้านเออเสือมันเคยอยู่ป่าอยู่บ้านเห็นไหมเสือตุ้มยานันมันไล่นะนเออระวังๆๆๆๆๆ เขี่ยมันยาวเล็บมันแหลมนีมาาระวังยิ่เสือก็ผู้ย่ม่เคเหอี่อ ม, ม, ม, ม, อมันแหลมเสือตัวเมียไม่ได้ะเล็บมันคมเขี่ยมันแหลมถ้าใครเห็นเสืออยู่ในบ้านในัวถ้าสาวเห็นเสือก็ยงังอ่ะเออเยเย นานแล้วมัสิเสือ้กินตายด้วยนี่ไงเสือแต่คบกินไม่เยอะต่อไปนี้หยุดการเที่ยวก็ได้เราไปดูหลายๆแห่งครอบัวเนี่ยบวดทีอะไร่เงยดูขอเทานะ้นอ่ย ตอนนั้นเนี่ยต่อไปมีตั้งใจที่ไหนมีครูมีอาจารย์ช่วยแนะนำเราได้แนะนําสอนอยู่ไปพอสบายสบายสุขวันไม่ต้องหาอะไรมันมากหรอกที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องไม่หามันนิ่มนวนลอะไรแล้วอาหารการกบการจันใหม้มันอยู่ได้เท่านั้นแหละอือที่ไหนอยู่ก็ต้องไม่หาสิ่งสบายหรอกอือที่ไหนจะพอตามความเห็นนี้มันถูกต้องได้ในการปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนั้นกนีนะตรงนั้น อี่มีเวียนหัวทางที่สองนั่นปฏิบัตมันมันมันมันจะไปหาที่ไหนมันก็ไม่เจอเราปฏิบัตินี่ตัวที่เดียดนี่อยู่ข้างนอกไม่อยู่ตรงนู้นเน่ยตัวที่มันนําเราไปนี่คือตัวที่ียดใหญ่เลย <c oughs> ตัวมันเป็นหัวหน้าเรานําเที่ยวนี่แหละตัวที่เดียดใหญ่อมืมันบอกไปดูนั้นอยู่นน้นเดี๋ไปดูจังหวัดนั้นแต่ไปดูที่ตรงนั้นแดี๋ยวไปดูที่ตรงนี้น ไปดูในเขานั้นเถอะปฏิบัติในเขาเงนนียบดีในถน้ำถ้าจะเข้าในถ้วก็ไปเห็นถ้ำอยู่คนเดียวได้ด้ชัครัวใช่ไหมยมเคยมีพรามาจำมันจาไหมที่นี่ถามมีครับสบายไหมถ้าเขาบอกว่าปล่าครับ มาจำภาษาที่นี่เราจะในรอดภาษานี่ยบางทีก็ตายในภาษาเนี่ยเยอะแยะมาอยู่ซะแล้วนี่เกิเป็นไข่เมื่อเด้นไปซะแล้วยังนี่กลัวซะเนี่ยมันบอกให้ไปแ้วไปถึงที่อยู่ม่ให้กลัวอีกคนอื่นตายมันกลัวแล้วทางนี้พระเายมาอยู่นี่เคยเป็นไข่ไหมโอ้ไข่ไข่ไข่จะรอดภาษาทำมีสันค น, นยอยู่ไหมนะ ท่านจะอยู่ก็อยู่แต่ผมผมก็ไม่อยู่ราคงจะไปล้วก็จะไปบาดเจะกันหมดแล้วนะเรือไปอยู่ในเมืองเราบอกว่าไปอยู่ในป่านอยู่ป่าก็อยู่ในถ้นี่ถ้าอยู่ในป่านนี้ทา้งเรมนเรืออีกนัวนไม่ีที่อยู่เลยแล้วก็เดินสะพายบาดเดินตลอดเวลาไปโน้นเดีวไปนี่ไปนี่เดีไปน้นเรืยหาที่ปฏิบัติยังไม่ได้ปฏิบัติเลย คือเราไม่รู้จกที่ปฏิบัติแบบนีนน้มันก็ดะพาให้ตายบาทไปนี่สำ น, นักนั้สนสำนักนี่เขาลูกนั้นลูกนี่พอไปนั่งทุกท่านแมน่คือท่ามจังหวัดเดยเห็นท่านหนึ่งนะนี่เดียเ๋ยเพิ่มเลยอ๋ออยู่แล้วเราจะอยู่ที่นี่ก็อยู่จะถูกอารมณ์แต่ยอมไปเลย ไปอยู่ที่นั่นโอ้น้ําก็อยากจะโอดในสักนิดหนึ่งอาหารต้องไปมากมังบ้านยังไกลไปอยู่สักอาทิตย์นึ่งต่มีคนหนึ่งอโอ้ยท่านจะมาอยู่อะไรทาอันนี้ล่ะมันหนักมากทำภูเขามันอยู่สบายยิ่งกวนี้ไม่ได้คิดดีกด่าเด็กทามีเงิ่ไปอีกแล้วแต่ไฟบาดไปเรื่มันก็ไปกันยัางนี้น่ะอารมณ์นะ โกหกเราไปเร mm ื hmm. <ๆ>่อยคนที่ฝุดจะมานั่งอในป่าแล้วก็เคยไปอยู่ mm hmm. ในถ้ำเราก็เคยไปอยู่อดข้าวหกวันเจ็ดวันเราก็เคยอด mm hmm. ทําอะไรเราก็เคยทํามาแล้วไม่เห็นใหมอะไรเห mm hmm. นื่อยกระเป๋าสิบไปสิบไอ้เพื่นดีกว่านม่ใช่ไหมึกดีกว่า แต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น่งนเรื่อยอย่างนี้เอาสิกระสิทสิเดียวมันต้องอาศัยใสรทำสวนกินดีผัวไม่ต้องเหียดเยียงใช้เอาละถูกวก็ไปอันอ so right, ีกน้อจะถูกอยู himself, ่ที่นั่นไปทำงานทำสวนหนึ่งเบื่ออยู่แล้วอือย่ในม่เวลาเนี่ยที่ต้องไปอย่างนั้นอย่างนั้นดีนะครับบวชจนฆ่าแล้วเห็นว่าลำบากสินมากภาษาอนยาก ไปเหยียดเยียนเนียนเขาเป็นเนียนดีกว่าเนียนปลูกผักกินก็ได้ทําอะไรกินก็ได้นอยู่นัน่นมีความในต้องอาศัยนะคือก็จะเนีนคือก็จะเนียปปนนี่ก็ทําสวนกินก็ได้เยินในป่าในเขาอะไรเห็นอะไรคิดไปทีนี้ก็ยังอาศัยโยมก็อยู่นะมีก็ลําบากยังเก็บตะตังไม่ได้อีก จุดจะเนเียนดีกว่าให้มันจุดตะตางไว้ทําสวนทําอะไรที่มีตะต่างฝากธนาคารใช้วาสันนี้นอีอกนเนี่ยจุเป็นนุ่งขาวดีกว่าเป็นนุ่งขาวแล้วที่นี่ก็อยู่ไปก็คิดไปอมันยังกินข้าวอยู่มันก็ลาบากอยู่วะ้นเ น, นี่ย กินยาเมื่อลายนี่ใส่จะสบายมากทีเดียวนะบันนี้มันตอนดามันตอนกินท้ามันกินใบไม้ใครเอาถบายเอาข้าวแ่ไหนเอาเนื้อเอาปลาเอาเจียนี่เบาแล้วแบบมันจะเบาแกินใบไม้ครกินใบไม้กินผักกินอะไมในป่าอืมคนทจะเลยตายนั่น ไม่ใช่ปฏิบ like e. ัต like ิขึ้นแต่ทั้งหมปฏิบัติถอยทั้งมดนี้ถอยถอย่อยทั้งมนี้ไอปัญญาในเวลานั้นต้นงก้มไปเรียนเช่นว่ไม่รู้ว่างดีอยู่ที่ไหนสมบัติที่ไหนแต่เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านี่ยนะท่านกระบวนเป็นพระรักษาสนาอย่างเรานี้ท่านยังทําอยู่ท่าเราจะยอมเป็นลูกศิษย์ของท่านได้ทำอย่างท่านนี้นลายจะอยู่ไปทําไมเนี่ยที่จะถอยถอยไปหาที่มันสบายสบายสบายสบายสบายเนีย ไอ้ความผิดอย่างนี้คิดผิดๆต้องโลกนี้มันก็ยังไม่เห็นครับเมื่อเวลามันไม่มีสัญญามันปิดมันมีธรรมชาติมันมีสีบังไว้ไม่ให้เห็นในจนถอยๆตายๆเลยหมดจบถึงสารวัตรตายคาตะลึกลับยาวไม่เห็นนั่นนั่นไมรูมันอยที่ไหนสติก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนปัญญาก็ไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนไม่มีใครไปเดียกกันมาเลยไม่รู้อย่างเนี้ย ถ้าคนจนมันจนหมดทุกอย่างจนข้าวก็จนจนเงินไปจนจนบ้านอยู่ก็จนมันจนทุกอย่างส้ามาถามจนปัญญาก็จนหมดทุกอย่างเลยทังสั้นทำเพียนมาไี่ก็ทำมาบางนี่ยคืดีกว่าไปอเมียดีกว่าไปจินเขาเย็นดีกว่ามีก็อยู่อย่างนี้เนี่ นี่ยมันไปรูปมีไปไง่ายๆครับอืมถ้ามันถ้ามันขาดเครื่องคุ้มครองของมันขาดปณิชาขดปัญญาขาดความเชื่อขาดทุกทุกอย่างอย่างนี้มันจะเป็ี่ยนไปแต่ว่าเมื่อพระเนรอยากจะคิดสงก็ให้คิดอืมสง่าคิดดีหรือคิดถูกเลยหรือไปคิดมีอืม อันนี้ผมเป็นเด็กสมองเกิคิดไม่ได้ไปคิดอีกทีนึงไปคิดบางวงลมตัอยู่ไปตลอดเนี่ยงวงกลบไปคิดอะไรก็ไม่ได้ไปบางคนอ้าวนิยมวาสนาแต่อนนีังตห้าครบแล้วก็คนก็เหนื่อยมากมีบท่าหรนี่ยตีห้ามีต่าระยะสตนาที่สุดเลดทาสิ้าทับางคนาารีย์ุณวาสนา ไม่ได้จัดไม่ได้ชัดถ้าหาประเด็นว่าบุณบัพต์น้าขอไม่ดีเี้ยงรดาสรได้แตอาวซื้มาีดอินทรีย์หน้าก็จะซื้อนักกะไรเนื้อเจ้าของซื้อนักกะไรเนื้อมื้งกันซืนักกะไรเนื้อมั้งกัน อันนี้เขามาฝึกที่หลายปีแล้วฝึกซะแรกก็มาครั้งแรกอก็มาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่สักครอแล้วก็ให้เขาไปอยู่ตรงโน้นมารายงานที่นี่แล้เขาไปอยู่ที่นู้นพอมันเครื่องที่อยู่แล้วก็สรงออกมาตามสาขาเครื่องในสาษาต่างๆออกไปการประขาต่างๆอย่นั้นก็ก็มาอยู่ไปด้วยกัน นรึกการพระธรรมดินายที่เราเรียนเรารู้กัน น, นั่นแหละเนี่ยเอามาที่ไหนบหอกเขาเอามาจากนักสังคราะห์ น, นโทษนทกทักทำเหตนที่เราใส่ผิดถูกผิดเราเรียนกันนี่แหละแต่สมัยนี้คำชี้ทั้งหลายลนี่มันอาภัพไปแล้วไม่มีใครเอ อ, อกมาใช้เอาออมาใช้จะพระความเห็นของเจ้าของพระดินายจะมีพระธรรมพระอะไรจะมีมดเครื่องปฏิบัติมีอยู่ไม่ใช่วงมาขาดไปทีนน แต่เราก็เรียนกันอยู่ตาดีตาขวางอยู่อย่างงั้นแหละแต่เรียนได้ไม่ได้เอามาใช้ออันนี้่หลองพ่อคิดว่าท่านปฏิบัติมาจากไหนก็ปฏิบัติจากเราเรีย น, ปนไปเลยพอเราเรียนรู้อยู่เจะไปเอานั่นมาใช้มันมีเรื่องเท่านี้แหละครับต้องเอามาใช้ดีๆจิตไม่ต้องเอาแรมาดอกคํามันในหน้าครอปฏิบัติของเราเนี่ย มาทำให้มันจริงเท่านั้นเนี่ยนี่เราไปมัวอย่างอื่นกันใช่ไอ้ที่เราเรียนที่มันถูกต้องเนี่ยินสมาธิปัญญาใครพูดก็คร่องคลองคองทั้งนั้นเด็แต่ไม่ทาให้มีกัในใจเราครับมันจะเกิดประโยชน์อะไรไปพูดเรื่องอื่นผ ม, มา่าพิจารณาแล้วผมไม่ได้มาที่ไหนครับผมมได้มาทีหหรอกเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยทุกวันนี้ยนนิ่งมีหลายตักที่ครับ ไปตรงนั้ทำอย่างนี้ไปอย่างนี้ตรงนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจในธรรมะแล้วนะครับมันจะสับส น, นกันเท่าไรจะชั่งมาเถอะมันไม่ลงหรอรกถ้าเรารู้จักว่ามันคุดจริงรู้จักเงาะจริงรู้จักลำไย จ, จริงรู้จักในนาจริงรู้จักขนเท่าไหจริงๆทุกอย่างละ่ะเอามาเทสกจาเดียวกันเถอะให้มันเลอะให้มันปนทะแล้วก็เถอะครับอืม มันเป็น่งในกระจาเดียวนะฮะถ้าให้เราจะหยิบลำไยที่ไหนเราจับออกมาก็ได้อืมนังเหะอยู่ที่ไหนเราจับได้ครับอืมที่ไหนที่ไหนได้เั่านั้นแหะมันเป็นสัจ ธ, ธรรมทุวันนี่ครับใครจะสอนไปที่ไหนก็ช่างเอถอะถ้าเราเข้าใจในธรรมเนี่ยผมว่าไม่สะเทือนเนี่ยถ้าเรารู้แน่นอนเลยครับไม่ต้องสงสัยเอืมอันหนึ่นงมันเป็นเรื่องกะทิอันหนึ่งมันเป็นเรื่องสัจ ธ, ธรรม ถ้าที่จะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ยิ่งลูกหลานในพระดิบัตคเนยจังหวันนี่นะขนาดที่เรียกว่าอารมณ์ของสมงหวัดสานตอนี้กระเถียนกันตาลีตาขว่างแล้วนี่นั่นไหวยุบน้อยนี่ว่าทองน้อยเนอพุทธนี่ว่าทธรรมอะไรต่างๆแล้วนี่ค่ะสํานาอัลฮั่งทะเลาเที่ยงกันไม่รู้เรื่องนม่ดูราก็เพราคนไม่รู้เรื่องความเป็นจริงนันแหลวมาสิ่งสิทุกสิ่งทุกสิ่งียู่ไปดวงกันตรงไหนนี่อืม ทุกจิงทุกจีที่ดรยื่นยันตที่อันนี้นมาเราก็ไปเถือรีิกันเถอะไม่เถือรติกันแต่ไปเถือรตกันเถอะแล้วพอจะวันทัเนเรียนนุกอย่างแต่ว่าให้รูจ้จากส่วนจบอันนี้มันจบตรงไหนกัน อ, นะอันนั้นมันเป็นคำพูดของคนนะครับมันเป็นคำพูดของคนพูดคนมันรีนได้อย่างคล้ายๆอาภัยเนี่ยอย่างสุนัขย่างนี้นะมันไม่ตายตัว เ็อเ่างหมาก็ได้นี่เปนได้อย่างนี้นะแล้จะไปถือมันแบาหมาว่าคุเนาะอย่างนี้ครับอืมไอความจริงมันตรงที่ของมันดีอย่างนั้นเนี่ยครับถ้าเราเข้าใจในส่วนนี้แต่ก็ไปทิ่ในบางไมยถึงอะไรตรงนี้ันจะรวมตึดเดียวกันบางทีมันก็ไปปฏิบัติหมายถึงจุดอื่นๆต่างๆกันเทั่ว เนี่ยไปในกลุ่มนี้ก็พูดถึงแนะนําเขาอย่างนั่นไปกลุ่มนั่นก็แนะนําเขาอย่างนั่นแนะนําเขาไอ้คนรุ่นหลังจะไม่รู้จะอะไรนะ <Yeah. S 1> คนภาวนาพุทธโธก็ยึดมั่นอย่างั้นขังกันไปคนอนาปัจตีก็ขังกันไปสัมมาระหังก็ขังกันไปยุบเนอะพ่องเนาะก็ขังกันไปเนี่ยฉันถูกคุณผิดอย่างนี้ด้วยไปนะครับอันนี้มันไม่ใช่เป็นธรรมะ <c oughs> ไม่ใช่เป็นธรรมะ สมาธิเรีนเ่นแล้วพระเจ้าเจ้าจะพูดว่าให้จดจําเรียนหนังสือกันให้จดจำมาจะ อ, าาอ่านง่ายได้แค่มันจดจําได้จ้าให้ปล่อยความยึดมั่นถือมัน่นถึงแมการกระทําดีอย่างเนี้ผมเข้าใจว่าท่านก็ให้ทําดีละคนชั่วให้ทาดีแต่ว่าดีนั่นน่ะถ้ารเราไปยึดมันว่ามันดีจริงๆริงเนี่ยเราดีเราก็ผิดเลยไม่ถูกอล้วไม่ดีอย่าเนี้ยเสีี่ย อ <t rio> เ, เออนั่นเราถูกอย่างเนี้เราก็พูดฟังได้บ้แต่ว่าเมื่อมีคนอื่นว่าไม่ถูกีย่างนั้นเราก็ปล่อยทิ้งก็ได้เนี่ยอือย่างนี้ เ, าา เ, าเาขเาว่าเราผิดเนี่ยเราก็ใจว่าเราถูกแล้วเราปล่อยมั่นทิ้งก็ได้อแต่ว่าให้ยึดตางความจดจําเฉยๆให้เข้าใจว่าธรรมะมันจะรวมแห่งอยู่กันเท่านั้นไม่มีที่อืน่นครับ ถ้าเรารู้จักต้นต้นปลายสาเหตุของธรรมะมีจุดหมายปลายทางอย่างแท้จริงแล้วผมว่าตกไม่คุมไหนก็ไม่รลงเอาเอาเงาะเอาลำไยเอาเอาไปถะกันในในกระจัดอันใดกันกตะชันเถอะเอาไปเถอะเราจะหยิบเอาลำไยไปถูกจะลำไยถึงนั้นแหละหยิบเอาเงาะก็ถูกเพราะฉะนั้นเราไม่ไปถูลำไยหรอกถ้าเราปฏิบัติธรรมะจะตปไนคุมไหนก็ช่างเจอะเท่า จะให้รู้เรื่องความจริงของธรรมะที่ไหนมันไม่ผิดเด็ครับอ่ามันไม่ผิดก็มันมันมันเป็นเรื่องคล้ายๆแค่เดียว่าเขตแห่งเสมาทุกวันนี้อืเสมามีที่ไหนไม่มีเสมาไม่มีคาใครดูลักเจรณะของสีมาทกินน้ำมันก็มีครับเย็นในามันก็มีมาถึงที่นีน้่มันก็มีคาใครดูแจกและเจรณะของมันมันก็เป็นสีมาได้อือจุดความจริงนั่นครับมันจะผ่านไปตรงไหนนั่นก็ มันก็ยึดตัวมันแค่อยู่นั่นแหละมันมีความปิงอยู่ตลเวลาอืดฉะนั้นถ้าเรารู้เรื่องของธรรมะแล้วมันก็มันไม่มีอะไรครับแต่ว่าท่านเรียนมาท่านต้งยุดต้องการยุดมันต้งยุดยึดศีลยึดสมาธิยึดปัญญาเป็นหลักยึดทั้งท่านต้ยึดมัน ไอ้ความจริงๆมันเป็นภาษาที่คำพูดเบือ้องต้นจะต้องให้หยึดอันนั้นซะก่อนแต่ถ้าเจ้ท่านเป็นแบกไหมทอนี้อย่าวางมันเลยนะกแบกไปดีแบกไปนานานมันก็หนักเห็นไหมละ่ะหนักจะทําไงมันจะทับตายอันปล่อยมันแล้วโยนมันทิ้งยะใหจะโยนมันทิ้งไอ้คนที่จะถูกไปยินจะโยนมันทิ้งแนนนงค น, น, น, น, งนั้นตัวมายากจะทิ้ง ถ้าเราไม่ยึดอันนี้ราจะระทาําย่างไรถ้าเราเช่งมไม้ท่อนนี้เราก็ไม่ได้ไม้ทนั่งเนี่ยก็มีอะไรจะเกิดขึ้นเอ่ยคนที่แบกไม้หนักๆคนอื่นบอกโยนทิ้งเขาว่าไม่เกิดประโยชน์มันจะเสียมากเขามาเห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาก็แบกไปจนจะตายมันจะพักตัวตายใช่ไหก็เลยอดทนไม่ได้ก็เลยโยนมันทิ้งแต่โยนทิ้งมันก็ไม่นา่า ถ้าไม่นักความเบาก็เกิดเป็นมาอืออันนี้มันได้อย่างเงี้ยมันได้เบานี่ครับนี่เมื่อเราจะไปยึดไปมั่นก็ต้องนึกว่าถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ได้ถ้าไม่แบกึ้นไปมันก็ไม่ได้ก็ต้องว่ายดทิ้งคือละมี่ก็ได้วะถ้าพระพุทธเจ้าสอนนี่ทิ้งให้ละไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นไอคนแบกไมหนักจักมานึกว่าจะโยนไม้ทิ้งมันจะไม่ได้อะไรอืคนแบกมันเป็นจะตายจ่ิงๆมัจะภาพเห่า แม้กรโยนมันพิ้งไปนี่นก็เกิดความเบาขึ้นมานีนะคือมันได้เพี่งระ ว, งวังแล้วละนี้อื่ความเบาหรือความจะวายมันเกิดขึ้นมาตรงนี้เมื่อความอยากจนคุมเครือเข้าใจจิตอยู่นั้นทำไมไ ม, ไม่ไม่เห็นอะไรจะได้ต้องยึดอยูงนั้นแล้วถ้าเราด้วยจกกักรเสื่อมถิ่อย่างนี้แล้วฮะก็ะไม่มีอะไรจะศึกษามารถอะไรครับอืม ก็ให้เขาไปศึกษาว่าอันนี้มันมันเป็นอยู่อย่างนั้นเท่านั้นแหละแต่ในโลกนี้มันก็มีอันเดียวเท่านั้นครับมัได้มีหลายอย่างไมมีหลายอย่างสออย่างั้งนั้นเนีเราก็อยู่เท่านั้นแล้วก็ตายตับใจเราเท่านั้นก็มีสองเท่านี้ถ้าเราจะศึกษาอะไรทั้งทั้งหมดทนานั้นไม่หมดหรอก ยังเจะเดินข้ามภูเขาลูกนี่จะเอารถเตเกอร์มาเบิกยังมันเตียนจะหดไม่ได้ไม่ได้ในแต่ใจบางทีตายก่อนแล้วไม่นยืดจะเรื่นึงก็ตัดตัดตัดตัดตัดเฉพาะเป็นช่องทะลุไปเลยก็ได้ข้ามภูเขาได้เนี่การโอกาสเช่นนี้มันมีแล้วเอาสิ่งนี้การปฏิวัติธรรมะนี่ตรงเหมือนกันแต่ถ้าเรามองเห็นธรรมะมันแล้วไปที่ไหนมันก็ไม่มีอะไรอมันเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนเห็นธรรมอยู่แค่นั้นมันมีส่วนอยู่ พอเราไปมองเห็นปุ๊บแบบนี้แหละจ้ะรู้จักแล้วรับมันผิดผูกกับพระกันอยู่ทางนั้นนะควรไม่ควรมันปนเปื้อนอยู่ในทุกวันมีค น, น, นที่เขาไปปฏิบัติในกระถือร้านถือมั่นถือขังถือนูน่ น, นถือนี่เท่านั้นฉันถูกพ้นนั่นผิดทะไรเนี่ยนั่นยิ่งดุเดนเนี่ยยิ่งเข้าไปยเ ย, ยิ่งกอเบียนใหญ่เนี่ยไม่ว่าเราทูกนี่ยทำไมไม่วาง พระพุทธเจ้าสั่งสอนเรื่องการปล่อยวางการปล่อยวางเนี่ยถ้าหากว่าผมว่าถูกท่านว่าผิดเขียนกันจบตรงไหนที่ไหนที่มันจบผมว่าถูกท่านว่าผิดนี่นอืถ้าหากว่าผมหรือท่านปล่อยสักข้างหนึง่งใช่ไหมผมว่าถูกจะถูกผิดจะคิดจะปล่อยก็จะมีอะไรชู้กันแต่ไม่ไปจ บ, บตรงตงนั้ ผมจะถูกท่านประสิดผมจะถูกท่านประสิิดผมจะถูกท่านกระ ต, ด ต, ดติดจบตรงไหนครับไม่มีทางจบแล้วเนี่ยนี่คือความอยากจนต่อตายครับการเราละสร้างหนึ่งแล้วาามันก็ไปตรงนี้การปฏิบัติตัมันก็เป็นอย่อย่างนี้หลยครับแต่ท่านจะให้มีความเฉทีย่ยวฉลาดอะไรทุกอย่างทุกสิ่งคือมันมีในตัวมันถึงนั้นแนตะ่เช่นยกตัวอย่างง่ายๆดะเราจะไปสอบนักเรียนะสอบโ ร, บเรบบงเรียนไม่สอบหนังสือไหน เขาจะมีปัญหาที่จะเขียนถามเราเป็นปัญหาเขาจะเขียนเราก็เป็นคนตอบปัญหาในความจริงๆนั้นปัญหาในที่นั้นน่ะมันมีเฉลยทุกข้อไม่ใช่เพรามันติดเลยนะปัญหาเนะะี่ยครับมันเป็นปัญหานะ่แปลว่าตัวของมันนันมันมีเฉลยทรท้อมอยู่ตรงนั้นถ้าใครไม่รู้ก็ไปเห็นแก่ปัญหาไม่มีเฉลยมันก็เลยทุกข์ยากลำบากอ ถ้าคนไปรู้รูปปัญหานัา้นมันก็มีู่เฉยอยู่ทุกขอมันอยู่ในนั้นลงครับอืมันอยู่ในตรงนั้นคือมันหนักอยู่ตรงนี้มันก็จะเบาอ ย, ยู่ตรงนี้มันเมื่อยอยู่ตรงนี้มันจะสวางอยู่ตรง น, น, นี้มันถึงอยู่ตรงนี้มันทุกข์อยู่ตรงนี้นกลับกันัรงนั้นไงครับไม่เคยจะไปค้นหาที่ไหนมันตก อ, อย่างนี้ทุกอย่างัแต่แต่ก็ตรงนั้ น, นเนี่ยพระพุทธเจ้า บ, บอกให้เราปฏิบัติเอาเอง ทำไมท่านึงบอกอยางท่านทำไมท่ึงบอกความปนทุกข์มาให้แจ้งเนี่ทำไมทานจึงจไมบอกพระนิพพานเนี่ยมาชัดแจ้งไอ้คนนี้มันบอกชัดเลยได้อือไม่ใช่เป็นปัญหาอดุ่ที่คนที่บอกมันเป็นปัญหาดุจที่คนจะฟังจะทําน่ยแต่เพราะมันไรู้อยู่ทีนี้มันรู้อยู่ที่นั้นผู้รับรู้อยู่ที่นั้นโดยที่มันแจ้งมาจากคนอื่นมันแจ้งจากที่นั้นก็องไปทําตามปฏิบัติให้มันแจ้งอยู่ที่ตรงนั้นอันนี้คนที่ช่วยมันก็นําไปถึงแค่นี้ อัคจรูปตาขจารูปตาขจาคตเป็นเจ้าผู้บอกท่านท่านไม่พูดถึงแตาเป็นผู้ทําให้สาวกทั้งหลายทําไมท่านถึงสอนอย่งนั้นนี่นั่นพระพุทธเจ้าก็ไม่ฉลาดนี่คือท่ทานฉลาดแล้วนี่คือท่ทานเฉลิมแล้วทุกอย่างทางมหิดลทางนอกไม่เห็นในตัวแยกิ่งแรเป็นตนมันก็สงสัยเยอะเรื่อยไปจนวันดดปรตะโพงวันนี้เนี่ยถ้าท่านจะกริกยินออกไปวัดดังประโพงท่านก็วาดภาพ เขาเร่าให้ฟังเข้าใจตามสัญญาทีนี้ก็รู้จักเกิดความรู้ขึ้นมารือนี่รู้อะไรรู้เพราะเขาบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเท่านี้มันไม่แจ้งนี่ครับมันมีมันมีธรรมชาติในจิตด้วยนะจึงว่ารู้ก็ไม่ไม่ไม่ชัดเจนอถ้าไม่ชัดเจนแต่ปัญหาก็เกิด บ, บ่อยครับมีคนมาอีกมาจากไหน ผมมาจากวัดต้องตะพงเฮ้ยวัดต้งอย่างมันเป็นยังไงถามอยู่แล้วนะคนก่อนกะถามแล้วนึกก่ดู้คนที่หลังมาก็ถามอยู่วัดตะคงอย่างนี้แกลงรเราฟังนูแล้วนะครับดเหมือนกันแต่มันยังมีแกลงกันถ้าอีกคนนึงมาอีกมาจากไหนัมาจากมาจากวัดม้งตะงวัดต้องงสยังไงดอ ทนมีชวิตอยู่ท่านจะถามไปจนตายก็ไม่รู้เรื่องว่าพระตะพงเป็นอย่างไรอวันนี้คุณท่านทั้งหลายมาพบวัดวันนี้เลวมาพบผมอีกวันนี้ปัญหาที่จะถามถึงผมว่าเป็นรูปรองด้ายแกขนาดไหนวัตตะพงป็นอย่างไรปัญหาทั้งหลายเลยมันจะร่วมเดกเลยหมดไม่หมดมแกปัญหาเพราะอะไร อ, อ, อืเพราะเราทำมาพูดเกี่ยกันเอง มาเห็นสถานที่มันปัญหาเป็นไดืหมดไปก็ไม่มีอะไรมัหมดนั ¿b anned? B anned so ai, ่น no ก e like. mm. so no e no e cool. ็เป็นเรื่องอย่างนี้ทุกอย่างอ่ะอืแต่ละเรื่องธรรมะมันก็เป็นเรื่องอย่างนั้นเรื่องขี้แกลงแกในเรื่องจะเป็นเรื่องเขียนกันเสียงกันเห็นธรรมะเน่ยมันไม่เห็นนะครับมันยิ่งหลงใหญ่เลยไม่ใช่เสียงอืแค่พูดถไปจบลงไปแคพูดไปจบลงไปไม่ใจ่ธรรมะเสียงกันเนี่ยมันดูเรื่องอการธรรมะแต่คนมันมียึดทุกปุ่ม ธรรมะไมมีที่เสียงกันมีที่พูดเปนการฟังถวายแล้วก็ฟังฟังแล้วก็ยินาเองถ้ามันติดมันก็มีข้อปฏิบัติของมันอยู่ถ้ามันถูกมันจะมีข้อปฏิบัติของมันอยู่แย่าไปสงสัยกับปัญหาข้อนี้เฉลยเลยย่าไปสงไสมันเด็กมันมีเฉลยทุกข้ออะไรที่มันเกิดขึ้นกับจิตของเราทุกอย่างนั้นแหละครับไม่จะเกิดชอบไม่ชอบเกิดสุขเก็ดทุกอะไรเป็นต้นนะครับ มันจะหมดปัญหาเองของมันเมื่อมันวกก็ไปเห็นในตัวมันเองันะมันรู้เองความรู้เองรู้รอบมันดูรอบมันจะดูรอบของมันอันนี้แหละท่านทั้งหลายเป็นที่อยู่ของคนเราอย่างจริงจังจะไม่หวั่นไหวแท้ๆครับอันนี้อือะไรอืก็ช่างมันเถอะมันจะประเัติไม่ผิดไม่ผิด ปฏิบัติหมดผิดครับหมดผิดผมเคยพูดว่าเคยมาเล่าว่าที่นี่ท่านทำธรรมะหรือท่านทำอิปัจนาผมตอบพันยากษ์นคือมีดเด่นหนึ่งผมยกขึ้นมาอย่างนี้ครับผมจะไปแยกคมกับสันนั่นออกไม่ได้ครับมันต้มีทางสันสังคมมันอยู่นั่นแหละผมเห็นอย่างนี้มันตน้องมีมีดเด่นมีดทางคมทางสันมีอยู่ เรื่องปฏิบัติอันนี้ท่านปฏิบัติการสม า, า, ม า, ามสารนิพพานาสมาสารผมตอบท่านไม่ยากก็มันมีสองอย่างความปนมันค้ากันอย่างนี้เมันจเจริญเป็นไปพร้อมกันอย่างนี้รากมันจเจริญต้นแล้วมันก็จะเจริญใบมันจเจริญพร้อมกันมันเจริญขึ้นไปไหนท่านั้นก็เป็นเรื่องแบบสมาธิแล้วไปพูดเอาถึงอาจารย์มันหมายถึงความสงบไอ้ความสงบขณะหนึ่อความสงบเขาไปดบอารมณ์อยู่ มัน่ะรู้เร่างอะไรหนีไปวย่นไปป่าในอารมณ์อารมณ์น้อยน้อยไฟน้อยไฟมันกระชินอารมณ์เลนอันนี้จิตสงบได้แตสงบเพราะอะไรพเพราะคิยดเหตยังไม่เกิดในเวลานั้นมันหลบมันโง่ที่ตุดเลยอย่างนี้พอ ก, กรรมาฐา น, นนี้ไปเรื่อยเรื่อรเรืเ ร, ร, ร, รไปอย่างนี้ลงความสงบตัวนี้ บางแห่งก็เข้าใจเพลินเกินไปเมื่อต่สาธีตไหนแล้วความสงบมันอยู่ที่ในเนืองนี่แหละนะอยิ่ที่นี่ก็สงบได้อันนี้ถ้าทําได้ก็พูดพูดได้ก็ถูกดีนี่สันงแต่ว่ามันทํายากลัชนาธีเราเรียนใหม่นะหนังสือต้องทาตัวบรรจงทําตามแบบตามแผนมันจะต้องมันที่เปไปได้ไม่ใช่ว่าอันนี้ในคนในชั้นโลกนะไม่ใช่ว่ามันได้ไปในใจของเรานพระพุทธรูปองค์นี้ท่านจะไปบายมัได้เด็กเหมือนกัน บุเรื่ไม่ใช่มาคิดแล้วมันอยากจะจับจะรูปจะรำอยู่มันก็ไม่ใช่ว่าบุเรื่ทีเดียวเลยแล้วว่ต้องพปฏิบัติเหตุผลนั้นมีตมันควรไม่มีควรเนาะอันนี้เกิดขึ้นพร้อมในจิตใจของข้ามุาที่เดมักเว่าเห็นชัดเขอวัดอันนั้นก็เรื่ของมันได้ไม่เปลี่ยนไปของมันอัตโนมัติของมันมันมีอยู่อย่างนั้นอันนี้มันเป็นของของญาตครับถ้าพูดถึงส่วนการประพฤติปฏิบัติที่มันมันมันเป็นมันของดรับอยู่ แต่บอกผมว่าอยู่ในป่าจะอยู่ไปเถอะอย่าหลงป่าอย่าไปเมาป่าอยู่ในเมืองถ้ท่านอยู่ประเทอะท่านอย่าไปเมาในเมืองท่านชอไปถลงมก่นนี้มนเถอะท่านอย่าเมาท่านอย่าเมาถล่มท่านอยู่วัดท่านก็อยู่เถอะท่านอย่าเมาวัดเป็นอย่างนี้เขาความจริงมันเป็นอย่างนี้เออนั่นแหละนี่เป็นอย่างนี้เออนี่ให้เราเข้าใจกันให้เราเข้าใจกันตรงนี้ ให้เราเข้าใจกันที่นี้ก็ดูเอองทํำเราเองเราทำได้ตรงไหนแล้วก็ต้องทำตรงนี้นเรื่องปฏิบัติเ ป, เป็นเรื่องอย่างนี้บางทีก็อืก็เรียกว่าไอ้ความรู้สึ่งใดการใดมาปฏิบัติมาจากการากระทำจเิงนนั้นเช่นอย่าเราเป็นคารวะเร า, ามีเพื่อนคนหนึ่งมีเพื่อนไมหลายคนเราไปถึงนีแล้วเขาโอ้โนนะ เอาทอดปลามาให้เราบดีโภคเนี่คุณเอาปลามาผมไปตกเบ็ดตอนนี้เนี่ยผมก็เลยมาทอดให้กินีเนี่ยเราก็าออา เ, เกข้าใจว่าเออปลามันจะต้องไปตกเบ็ดเอาไปทิ้งได้มาเนี่ยไปทันหน้าอีกจะเยี่ยมเพื่อนทันหน้าอีกถเอาแกงปลามาสี่เนื้อมันจะไหนเนี่ยฉันไปทอดแหยวะ่ะเนี่ยตกใจดเลอทําไมคนนี้ประทิน ไปตกเด็ดเอาปลามากินได้ไอ้คนนี้บอกไปทอดแหย่ทำไมมันเป็นทำไมไม่เหมือนกันอย่างนี้คือคนไม่มีปัญญาถ้าคนมีปัญญาเรื่องหามานั่นไม่เป็นปัญหาหลอกขอเด็ดปลามากินแั้งตั้งก็พอกันแล้วเนี่ยพูดถึงชาวโลกเขาอย่างนี้ครับจะไปเข้าใจท่านไปตกเด็ดมาท่านก็ได้มาจากการตกเด็ดทั้งหมกปลาตกเด็ดมาทอดแหยมาทั้งวันท่านไปทอดแหยมาท่านไปซื้อมาทั้งวันท่านไปซื้อมา เ้ราท่านได้มาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นการปฏิบัตเรื่องจิตใจอครูบอาอาจารย์บางทีท่านได้มาเพราะอนาปามิตินะอ่อ่าาะนาป า, ามิตทำายปฏิบัติบางแห่งท่านไ ด, ได้ความสงบมาจากสุธโสุธอืมนะบางสิ่งบางอย่างท่านไม่จินตนาลูกนามอันนี้มันชัดเจนจากความใจจิตใจมันก็สงบท่านสงบได้อย่างไรเราไปเรียนท่านทางสอนอย่างนั้นให้เรา แม้แต่คนไปเอาปลาแหละเขาได้มายังไงเขาจะเอาอย่างนั้นมาพูดให้เราฟังแล้วอย่าจะยึดมั่นตรงนั้นพีอปลานี่ยจะต้องไปปลกเด็ดมานะปลาจะต้องไปทอดแห่มานะปลาจะต้องไปซื่อมานะปลาจะต้องไปสุ่มมานะอย่าไปยึดมั่นในการสุ่มในการตกเด็ดในการทอดแห่อิความหมายคือความจริงของมันได้ปลามาเป็นอาหารนั้นเนี่ยนจากนั้นแหละคือผลมันรวมอยู่แล้วอย่างนี้ การปฏิวัตินี่เหมือนการับมันกว้างขวางมากอย่างนี้โดยมากแต่คนเราก็ไปคิดอย่างการใช่อย่างนี้โดยมากนะต้อกโดดเด่นในยากลำบากมมันมันมันผมก็ว่ามันเป็นปัจจิตังนั่นแหละครับไอ้ทามันนี่นะมันเป็นปัจจิตังแท้จริงไอ้ความชั่วทั้งหลายในจิตของเราเนาะใครจะเห็นกับเราแล้วไอ้ความสุขทั้งหลายอยู่ในตัวของเราเน่ย ความบริสุทธ that.. we well ิ so ์หรือความกโกหกโคนในตัวของเราเนี่ยใครจะมารู้กับเราใครจะมาเห็นกับเราถ้าเรามาเห็นกับเราใครจะมาแก้ให้เราล่ะเราก็เป็นขโมยด้วยงไปอยู่นั่นแหละใครจะมาแก้ให้เรามันเป็นเรื่องของอย่างนี้ครับท่านจึงจะให้ดูเจ้าของถึงมันรู้กับเจ้าของที่ขี่ผู้โตเอาเตนเป็นพยานของตนไม่ใช่คนอื่นเป็นพยานมันชี้เผือนเท่านั้นเนี่ยเอาเอาคนอื่นเป็นพยานนะไม่ขี่มันก็เป็นพยานขึ้นมาได้เรา ก า, าที่อันเพจจันทร์จนมาก็ได้นั่นเป็นอย่างนี้ครับยานความจริงกับธรรมานี่ไม่ไม่มเป็นอะไรอย่างเราทำผิดแล้วไปถูกอะไรหนึ่งเกิดขึ้นมาใชอย่างเช่ดเรามองเห็นเหตุนม่ได้มันเกิดขึ้นมาใช่จิตเขาจับผิดปรดังก็ไปฮะเรก็ไม่มีอะไรจะเสียไม่ได้ทำพก็ก็เห็นผิดให้โทษแทนะโทษตันตรงไหนใช่ดีกว่าอย่างนี้อืม ก็คือพวกทั้งหลายที่มาอยู่กันนี่ผมก็มีอะไรเรางคนอยู่ไปเนี่ยเดือดไปตามป่าตามลกไปเรื่อยๆไปยังอบป่าก็อยู่ป่ามัเก็อยู่ป่าทีนี้จะเดินกาที่คือจมีอยู่ป่าก็ดีแล้วฮะมัน นั่นเป็นหน้าที่ของสมณะที่จะอยู่อย่างนี้โดยตรงมันเองแต่ว่าเรอออบมันนั้นมันสุดแท้แต่ปัญญาของคนยอมท่านจะให้เมาปฏิบัติกับปฏิบัติจะให้มันเมาใหญ่สยายมันเมาตอนนี้แหละครับเลื่อนเลื่อนเรื่องมันนั่งก็สบายอื <c oughs> สบายเลยงไง ไปอยู่ที่นั่นไม่มีใครมารบกวรเราไม่มีใครมาว่าเราไม่มีใครมาดินท่าเราสงนั่นอยู่สบายไปนั่งก็อย่ไปยึดมันเลยครับถ้าหากเราไปถูกที่เขามินท่าเราเราจะสบายไนหะือพราะหลังเกลียดจะเป็นตั้งไว้อย่างนั้นตรงนี้มันสบายเพราะสบายเพราะใจเราใะอารมที่ถูกใจเนี่ยที่นี้ อีกบางอย่างบางแห่งบางสิ่ยมันจะได้อารมณ์ใช่ไหมผูกใจแล้วจะสบายได้ไหมนี่มันเป็ของสิจกรรมเนี่ยวันนี้เราไม่มีโรคแล้วไม่เป็นไข้เราก็พูดกันได้สบายอีกพรุ่งนี้ประเดือนนี้เราเป็นไข้ร่างกายเกิดเวทนาเป็นทางกาย่างจิตอย่างนี้ตรงนั้นเราจะทนได้ไหมตรงนั้นเป็ น, นที่เราทำเหมือนเ ร, เราไปต่อขู่ เี่ยมไปมาต่อสู้โมเดลายนั้นตาเราเราไม่รู้จักแล้วกลกมันไปด้ว่อยตรงนี้มันไม่สงบกว่นี้ไปตรงนี้มันไม่สงบกว่านี้ไปตรงนี้ไม่สงบกว่านี้ถ้าอยู่ไปไม่จิตทุกข์ก็เห็นว่าทุกข์นั่นแหละไม่เกิดประโยชน์เราเห็นว่าทุกข์นั่นแหละมันมีประโยชน์อยู่แล้วมันเป็นทุกข์ักษ์ถ้าเราไม่พบกับทุกข์ไม่คู่กับทุกข์ไม่ดูเรื่องของทุกข์ เห็นทุกข์แล้วก็นีดน้วยแต่เห็นทุกข์ก็เดินไปเนีน่ยนะมันจะเป็นอย่างนี้แต่จบสุขบ้างไปพบทุกข์กบ้างอย่างว่าเราไปพบอารมณ์ที่ไม่ดีนะแล้วคู่ไม่ได้นะอยู่ตรงนั้นมันจะเสียหนี้มันแย่มันก่อนครับนี้ไปนี้ไปเพื่อความชนะไม่นี้ไปเพื่อความแพ้เพื่อไปแก้ปัญหาเพื่อไปเรียนนจะกลับต่อสู้มันอีกอยู่อย่างนี้แหละครับอืม ถ้าเราเห็นอะไรทุกอย่างแล้วเราเห็นเราเอามันเจ็บมันมาฟังเช่ไหมเอามันมาฟังในที่ไม่ไม่เชี่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดแล้วหมดนะธรรมะทั้งหลายจะจบอยู่ตรงนั้ น, นไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงไม่ต้องเดินขาเข้าไเสี่ยงสายเสี่ยงพระหมดราานี่นเป็งพระหมดรา า, านี่นนะ หมดพิษหมดไัยแต่ไม่เกี่ยวข้องอะไรเด้ออันนี้ทำให้เกิดปัญญาแน่นอนครับนี่นะคือคือเห็นกระแสของปณิพานธแท้ออืเมื่อเห็นปุ๊บขึ้นมาปุ๊บ ม, มันมีปัญหาแก้กันเลยออืมีปัญญาเกิดขึ้นตรงนั้นเลยนีจังกุกขังอนาคานีจังกุกขังนาตาที่ตรงนี้นะครับไม่จ้องอะไรมันจะเป็นสวรรค์มีทานมันจะเป็นอะไรมากก็ฉานมันจะสุขมันจะทุกข์อะไทุกอย่างเขาเอามาที่นี่หมดหมดตรงนี้ครับ นี่ที่ถ้าเราปฏิบัติที่ไม่หลงถ้ายึดตักนี้ไม่หลงตรงนี้เนี่ยตันความหลงครับอืมนานๆนนไปแล้วก็พิจารณาไปเมื่อก่นไม่เห็นอะไรเห็นเพียงมันเกิดมันดับเท่านั้นแหละเห็นใจนี้จังทุกข์ขังนาจาเท่านั้นเนี่ยแล้วอารมณ์ทุกขทุกข์ทั้งหลายต่อไปมันก็หมดราคาทรงนีนม้มันรวมหมด้าคา แจะคว้าเอาตรงไหนมาแล้วมันจะเสิดอประโยชน์แต่ความยึดมัน่นหมายมัน่นมันก็หมดไปกันนั่นน่ะแต่น่ะก็มีเจตธรรมอยู่ล้วนแ่นี่จะเกิดแล้วกระดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเไท่นั้นจะไม่มีอะไรมากนี่สิถ้าพูดมาถึงเรนนี้นุ้นจะเอื้อมื อ, ปอไปหยิบอะไรนะนี่แหละกับหลักมันเนี่ยนี่เรียกว่าปาฏิบัติธรรมเนี่ยแต่ผมว่ามันเท่าที่ผมปิจธินามา ไมได้เรียนมากมีเด้รู้มากไมไ่อะไรมากอืมเดยมากผ ม, มอยู่ตามปากครับผมเปิดความรู้สึกอย่างนี้อือแม่เราสอนพวกบุสิตฝรั่งพราจบปริญญาตรีเป็นโตทๆทมาทิ่ไหนผมสัวมันวิ่งตามความรู้ครับมผมก็พูดตามภาษาเก่าร์ผมนี่แหลครับว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรืูดดีอย่างนี้จนกว่าใครๆมันจะน้องไปเห็นอะไรกันอย่างนั้นอืม เ็นยุบาลในตรมีวิธีนั้นวิธีนี้อันนี้มากมายกายก้องครับเราพูดทะยออี ก, อกนิดหนึ่งก็คืเรียกว่าทําความนี้มันถูกต้องอ่าอย่างนี้มันผูกต้องถ้ามันถูกต้องแล้วมันต่อหมดหมดการแก้ไขถ้าหมดการแก้ไขมันก็ไม่มีอะไรจะทํา ถ้ามมนมีอะไรก็เดี๋ยวมันก็วางไว้เป็นสภาพธรรมะอย่างนี้ถ้าทำอันนี้เรายังขี้เกียจอยู่ก็ฝืนความขี้เกียจไปทรมันั่นแปลว่าเรารู้จักธรรมะไปฏิบกตรทำแต่เรายังไม่เป็นธรรมมันยังอดทมอย่าเนียเอออย่างอันนี้มันผิดแต่ว่าไหให้เราต้นานมาให้กัวมันจะผิดอย่างนี้ เราจรึงไม่ทำอันนี้มันก็ยังไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันอยากจะทำอยู่เนี่ยจนเห็นมาจริงเหล่านั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องทาแล้วไม่มีไม่มีการละและไม่มีการนเทียนในข้อนั่นอีกแลมันก็หมดสภาพไปเท่านั้นเท่านี้ครับคือว่าทำให้เป็นความสุของอ่เอาแต่าตเป็นี่พึ่ออันตรงนั้นจะเรียกชือมันว่าอะไรเรียกอะไร ใครจะเรียกอะไรข้า า, าจีบมันเป็นอย่างนั้นจะเรียกว่าอะไรรล้วจะจะสมมติคนเกิดเกิดคุณนาคนนี้จะตั้งชื่อมนว่านายฟอก็เอานายขก็เอาตามใจเพมันไม่มีเชื่ออะไรอยู่ตรงนั้ น, อ, นอันนี้อันนี้รูปลักษณะปฏิบตัติถ้าใครไปลงในรูปนี้หนึ่งโอ้มั น, ม, นมันไม่ตายเพื่ออเนะ <c oughs> ไม่ตายแล้วมันไม่ตายกันนะแต่ว่าอยากจะมาอยู่อ่พราตังทินต่างฐ า, านนะอยู่ยในพุทธเจดีไว้ <c oughs> <c oughs> แม้กระทั่งยุตายต่างๆเช่นธรรมยุทธอย่างนี้อยากจะมาอยู่กับผมผมก็ไม่ด้ ท่านเขาทาี่วาทำยมีไหมทำยังมีไหมคือว่าอาจารย์จมันต้องเหยียดท่านไหมแต่ทำอย่าง น, นี้มันจะอยู่ปแต่อยู่นี่ท่านจะทำอย่างนี้